5. วิธีพิจารณากายที่เคลื่อนไหววงเล็บเปิด18พฤษภาคม2551จุดจุดนาที35วงเล็บปิดใครจะขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปนึกระบวนท่าท่านไม่ออกไล่ยุงก็ได้ขอให้เห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเถอะเราเห็นได้สองอย่างอย่างที่เราเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของมันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของมันนี่รู้ด้วยสติ ถ้ามีปัญญาใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นทันทีตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยหรือเรานั่งนวดตัวเองเอา้าวลูบมือตัวเองดูนะอย่าลูบมือคนอื่นนะลูบมือตัวเองไปรู้สึกไหมมันบอกไหมว่าเป็นตัวเรามันไม่พูดเลยนะว่ามันเป็นตัวเราเราคิดเอาเองว่ามือเราใช่ไหม เพราะจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราหรอกสัมผัสลงไปหรือเห็นมันเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเมื่อใดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดจะรู้สึกว่ามีตัวเราตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาตัวเราเกิดจากการหลงคิดถ้าเรามีสติอยู่ก็ไม่มีตัวเราหรอก